พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ดลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุณธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2556มีชื่อเรื่องว่าต่างก็พึ่งพาอาศัยกันออตอนนี้เป็นวันที่7 พทศจิกายนพุทธศักราช2556ในช่วงนี้หลวงพ่อรู้สึกว่าเป็นหวัดตั้งแต่วันที่สองไปที่ถ้ำเจียร์ไปทอดกระถินมันอากาศมันแปรปวนทั้งร้อนทั้งเย็นกลางคืนก็เป่าพัดลมด้วยก็เลยทำให้แพ้อากาศจากนั้นก็ไม่ได้เตรียมยาไปด้วยคิดว่า ตัวเองเก่งแล้วไม่เป็นหวัดพอไปถึงหอยทรายแล้ววัดลุมเลยเนียเอกลับมามันก่นก็เลยมาทานยาเ็ารู้สึกว่า ด, ดีขึ้นแล้วละ่ะแต่เขายังไม่หายนหวัดผู้สูงอายุน่ะวัดผู้สูงอายุเนี่หายากเป็นง่ายหายยากแต่โดยมาก ผู้สูงอายุเนี่ยตายเพราะหวัดเป็นส่วนมากทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะแพ้เร็วเวลาคนมาเยี่ยมแล้วก็เป็นหวัดพอติดเชื้อเข้าไปแล้วทีนี้เลรษไม่ออกไงขาเ็ดไม่ออกเพราะป่วยเลรษติดคอพอเ็ษติดคอแล้วกันใช้เครื่องแยงเข้าไปในคออีก ไม่รู้ติดอะไร ต, ติดอะไรเลยท่านี่โุดกี่สุดคน อ, อะเสรดพันคอแล้วก็โดยมากหลวงพ่อเห็นเห็นมาที่ครูบาอาจารย์เรื่องพูดที่ได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุนี่แหลเะเสรดพันคอติดค อ, อ, อหายใจไม่ออกก็ใช่ล่านนี่หายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกก็ใช่เละ ไม่ต้องถามหาละความตายมาเองนะี่ในช่วงนี้ตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่ครั้งนี้แหละคราวนี้แหละเป็นต้นไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามกราพฤศจิกาธันวามกราพอไม่กี่วันทางงานกระถิน่นจวนจะเสร็จลุงพ่อก็คงจะไป งานของหลวงปู่จามพระหลวงพ่อเป็นหลานหลานของท่านถ้าจะว่าไปหลวงอาเนี่เป็นงานของหลวงพ่อโดยโดยตรงเพราะว่าเป็นทั้งเครือญาติ ด, ด้วยเป็นญาติผู้ใหญ่ของหลวงพ่อด้วยเป็นทั้งญาติธรรมของหลวงพ่อด้วยเป็นทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อด้วย นั้นหลวงพ่อเข้าไปในงานไปดูแรงานเมื่อวานก็ได้พูดว่านี่นะลูกหลานคณะพระสงฆ์คณะสัทยาญาติโยมหลวงปู่จามเป็นใครหลวงปู่จามเป็นใครหลวงพ่ออินนี่เป็นใครหลวงปู่จามเป็นน้องชายของโยมพ่อของหลวงพ่ออินเป็นคนที่สามเดี๋ยวนี้ ถ้าจะลิ่ลเรียงในตระกูล ญ, ญาติแล้วฝ่ายชายหลวงพ่อเป็นใหญ่ที่สุดในตระกูลแต่ก็มีพี่สาวอยู่สองคนงทีเ่เป็นพี่ของหลวงพ่อแต่ฝ่ายชายนะ้นหลวงพ่อเป็นใหญ่สุดเพราะนั้นเรื่องของหลวงปู่จามจะมออกมาในรูปลักษณะอย่างไร หลวงพ่อยังมีความคิดมีสติปัญญาอยู่อย่างนี้หลวงพ่ออยากจะให้ไปในทางที่เรียบง่ายเป็นธรรมไม่ควรจะมีใครเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายจุนจ้านในงานของหลวงปู่พอหลวงปู่เนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาพูดได้เลยว่าเป็นคนที่ชอบสงบชอบง่ายๆเรียบง่ายแต่อยู่ในศีลในธรรมอย่ากออกนอกลูก่นอกทาง อย่าไปเอาศีละของท่านเอาไปขายจ่ายกินอันนี้ก็คือจุดประสงค์ขององค์หลวงปู่ยามเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายนะแต่หลวงพ่อทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ได้เข้าไปครอบงามครอบครองแต่ผู้เดียวเพียงแต่ว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมาหลวงพ่อก็ต้องโดดออกไปปกป้องคุ้มครองเพราะในฐานะญาติในฐานะญาติผู้ใหญ่แต่ถ้าไม่มีอะไร หลวงพ่อเอาพี่น้องประชาชนพอหลวงปู่จามเป็นสาธารณะใครมาเห็นไหมใครเข้ามาหลวงปู่ก็เมตตาเอาไม้เท้าเคาะหัวให้ให้ศีลให้พรให้เจริญรุ่งเรืองให้ล่ำรวยโชคดีหลวงปู่ก็ให้พรทุกคู่ทุกคนนี่แหละอันนี้แปลว่าเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็เข้ามากราบไหว้เคารพสักการะบูชา แต่เมื่อท่านจากไปแล้วพวกเราจะแสดงความกตัญญูกตวเวทีตายอย่างไรอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดกันล่ะใครคิดได้มากแต่น้อยก็สุดแท้แต่ถ้าไม่คิดเลยอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกต้องต้องคิดเพราะนั้นการคิดจะทำยังไงจะให้งานหลวงปู่เป็นไปด้วยความเรียบระะ้อยราบรื่นหลวงพ่อขอบอกกล่าวกับคณะสัทยาโยงคณะกรรมการคณะ ทุกท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยงพ่อได้พูดในวันนั้นนะแล้วก็พร้อมกันงานของหลวงปู่ก็ขะแขงเกี่ยวเข้ามาเรื่อยๆพอเดือนธันวาม ก, กราเนี่ยหน่อยเดียวเดือนวันที่หม ก, กราห7เจเวลา 17.00 ศนศนที่บ้านห้วยทรายวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายจังหวัดมุกดาหาร เวลา 17, บหโมงเย็นนั่นะเป็นวันเสร็จสิ้นพรนั้นในขณะที่ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนกวกวาเนี่ยใครก็ถามมาหลวงพ่อจะอยู่วัดไหมช่วงเดือนธันวาช่วงเดือนพฤศจิกาหลวงพ่อบอกว่าตอบไม่ได้มีแต่พระประธานพระพุทธอุดมมงคลของหลวงพ่อท่านน่นตั้งแต่เอามาปฏิสฐานแล้วท่านไม่ขยับไปไหน สำหรับพระหลวงพ่ออินแล้วเดียวก็แซบนู่นแซบนี่ไปเรื่อยตามภา ร, รกิจตามภา ร, รกิจธุ ร, รกิจที่มันเกิดขึ้นอยาให้อยู่ตัวตายตัวเน่เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกคณะสัตธาติโยมลูกหลานเข้าใจนะไม่ใช่พระอิดพระปูนไม่ใช่พระพระอยู่กับที่นะแต่มีความจำเป็นอันไหนมีความจาเป็นมากน้อยกว่ากัน เขานิมนก็เถอะแต่บวกลบคูณหารดูแล้วจิ๋วหนีมนครูบายจานไปตั้งหลายองค์หลวงพ่อองค์อนึ่ในานามหลายองค์นั้นหลวงพ่อกับมามบวกลบคูณหารไม่จําเป็นเท่าไหร่ให้องค์อื่นไปซะสาหรับหลวงพ่อจะไปธุระนี่จนตัวนี้จําเป็นสําคัญกว่าเราต้องมองความสําคัญหนึ่งสองสามสี่แต่ไม่ใช่งานสําคัญไม่ใช่รวยนะหลวงพ่อไม่ได้คิดเรื่องรวย เรื่องน้ำใจสำคัญกว่าชุมชนที่มากกว่าแล้วก็บพี่น้องประชาชนได้ผลมากกว่าได้ผลมากกว่าคืออะไรบางครั้งครอบครัวในมวลสมสี่คนเกิดชดทธาอยากจะให้ไปไม่มีอะไรไมีเตไปเห็นหน้าเฉยๆไปในมวลแล้วก็ฉันฉันฉันฉัันเช้าพูดไม่กี่คนแต่ชุมชนกลุ่มหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันจะมาตักบาดใสาบาด อันนั้นเราก็ต้องมองมองดูว่าชุมชนนั้นเกิดประโยชน์กว่าเพราะเราไปแล้วก็จะได้พูดธรรมะแนวความคิดให้กับพวกปวงประชาเป็นส่วนมากอันนั้นเราก็ต้องคิดเออส่วนนี้ก็ให้องค์อื่นไปซะโดยมากหลวงพ่อจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่บางครัง้งบางคนเขาก็าก็เลือกที่รักมักที่ชังแต่ตามไม่จริงไม่ไม่รักไม่ชังใครเป็นกลางๆลางถ้ารักแล้วก็ มันทุกถ้าชังเขามันทุกอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นอย่าไปรักไปชังใครถ้าลักชังแล้วมันทุกในจิตในใจของเราให้ใจเป็นกลางๆงจะดีกว่าถ้าใจไปกลางกลางไร่จะดีฮทางว่าไปรักไปชังแล้วมันเหวี่ยงข้างใดข้างหนึ่งมันทุกเขาก็ทุกเราก็ทุกเพราะฉะนั้นจะให้มันทุกก็รู้อยู่แเล่าเนะี่ยเพราะนั้นการที่จะไปนสถานที่ใดหลวงพ่อ ต้องมองด้วยเหตุด้วยผลถ้าหากว่าชุมชนมันมากอย่างหลวงตามหาบวรท่านไม่รับนิมนต์ใครเลยช่วงหลังๆเพราะอะไรเพราะพี่น้องประชาชนเข้ามาในวัดของท่านมืดฟ้า ม, มัวดินแต่ละวันมากกว่ากิจนิมนต์ของท่านที่ไปรับในกิจนิมนต์นั้นพี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าท่านก็ต้องอยู่ในจุดนี้แต่อยู่ในจุดนี้ ท่านก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องร่ําเรื่องรวยเรื่องจะถูกปัจจัยที่ได้มาท่านไม่ได้คิดอันนั้นมันเป็นของนอ ก, น อ, กอีกต่างหากได้มาก็าดีกัมีประโยชน์ถ้าว่าไม่ได้มากว่าดีไม่ต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายมันก็ดีทั้งสองอย่างนั่นแหะถ้าหัวใจของเราไม่กระสับกระสนไม่กระตือรือร้นไม่มีความอยากจนเกินไปเราก็ต้องดูมีความจําเป็นก็ได้ใช้ ้าไม่มีความจำเป็นหรือจะใช้มันทำไมเราเป็นพระกรรมฐานพระอยู่ในป่าอยู่แบบป่าอยู่แบบรกรรมฐานแต่ว่าชุมชนและสังคมที่มาเกี่ยวข้องนั้นเราต้องดูต้องมองเพราะเหตุใดเพราะว่าชุมชนกับสังคมกับพระวัดวาศาสนาเนี่ยมันแยกกันออกยากถ้าเราอยู่ในชุมชนเราก็ต้องดูแลชุมชน ชุมชนก็ต้องดูแลพระพุทธศาสนาไม่ใช่ดูแลเราอย่างเดียวนะดูแลพระพุทธศาสนานะพระพุทธศาสนามอบหมายให้กับชุมชนกับประเทศชาติบ้านเมืองเพราะนั้นต้องมองอย่างเมื่อวานนี่ก็นี่ทั้งผ อ, อทั้งกลุ่มพระวาปีโรงพยาบาลกลุ่มภระวาปีทั้งผอ อ, อำเภอเพน เข้ามาหลวงพ่อแต่กลุ่มพ่ออาปีนั้นหลวงพ่อไปทอดผ้าป่าซื้อเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดได้เท่าไร่สิกว่าล้านย่ล้านกว่าแล้วก็เงินหลวงเข้ามาอีกรวมเลย30มกว่าล้านวันนั้นซื้อเครื่องมือแพทย์พอแล้วหลวงพ่อกี่ว่าเพียงพอแต่ยังเหลือปัจจัยอยู่เงินอยู่ผมบางขออนุญาตจากหลวงพ่อให้รับทราบ บอกผมจะขอใช้อีกประมาณชักล้านกว่าแต่ปัจจัยเงินนั้นยังเหลืออีกล้านกว่าส่วนเงินล้านกว่านั้นหลวงพ่อจะทําเป็นมูลนิธิจะเอาเข้ามูลนิธิก็สุดแท้แต่หลวงพ่อเราก็เออหลวงพ่อก็คิดอยากจะทํามูลนิธินั่นแหะเพื่อดูแลพระสงฆ์แต่ถ้ า, าว่าพวกเรามีความจําเป็นจะได้ใช้ก็เอ า, เอ า, เอาไปปรึกษากับคนนั้นก่อนนี้ดูนะ เขากับครับปรึกษาแล้วเออเอาปรึกษาแล้วก่อนหลวงพ่อรับทราบนี่แหละอันนึง่งอันหนึ่งก็หลวงพ่อพวกผมขาดเครื่องมือสร้างตึกมาแล้วสี่ชั้นยังไม่มีเครื่องมือเลยอยากจะให้หลวงพ่อไปเป็นประธานในการทอดพ้าป่าให้พวกผมด้วยเทินอ่าหลวงพ่อเออรับไว้พิจารณาเ พ, พาราะภารกิจของหลวงพ่อเยอะเหลือเกินในช่วงนี้นี่แหละสรุปแล้วก็คือชุมชนและสังคม ถ้าพวกถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้พวกเราฟังพวกเราก็คงจะสงสยัยพระสงฆ์อยู่ในป่าดวงพงไพ่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่รู้จักมักคุนอย่างนี้ท่านทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรถ้าว่ามาถามซักไซไลเลียงดูหลวงพ่อจะพูดให้ฟังวันนี้คงไม่ได้ฉันอาหารละวันเลอทั้งวันอมลูกเรื่องอะไรตัวมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องเพราะทัานสรุปแล้วก็คือวัดว า, าศาสนา กับปวงประชาแยกกันไม่ออกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทางมาพวกเราพราสงก็อวดเกง่งพี่น้องประชาชนก็ไม่แยแสแล้วจะเป็นยังไงคนขาดจริยธรรมอย่างเมืองไทยของเราพวกเราคิดดูให้ดีทว่าหมอจิตเวชไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะหมอจิตเวชหมอจิตแพทย์ขายไม่ค่อยออกไม่เหมือนเมืองนอกเขา เมืองฝรั่งเนี่ยโอ้หมอจิตแพทย์นี่เข้าไปนั่งบ่นอะไรให้เขาฟังเลยคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงออกมาประสาทก็ยิ่งเกิดขึ้นอีกเพราะอะไรเพราะไปบ่นให้เขาฟังเสร็จแล้วเขาคิดเงิ น, นแต่นี่นมาบ่นให้พระฟังมาก็มาบ่นให้พระฟังเป็นอย่างงุ้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงุ้นเป็นย ง, งั้นผลในสุดพระก็บอกเออทำใจเกิดมาในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าที่ว่าจะมาเกิดในโลกนี่ ถ้ามันเกิดมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีทุกข์มียากมีพัดภาคลุ่มหลงอย่างนี้แหละ เ, เราจะให้ย่ายได้อย่างใจตัวเองได้อย่างไรหลายคนคนนั้นก็เอาใจตัวเองคนนี้เขเอาใจตัวเองเราก็เอาใจตนเองเอแต่คนนั้นคนนั้นมาต้มตุน๋นเออเอาต้มตุ๋นพอเราเพราะรามีความอยากไม่ใช่เหรอเขาจึงต้มตุ๋นเราได้เพราะเรามีความโลภเพราะคนที่มีความโลภมันเขาก็ต้มตุ๋นได้นะ เราจะเป็นโลภมากสิต้องเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจถ้าเราไม่โลภมากมันใครก็ต้มตุ้นยากนะถ้าคนที่เราอยากอยู่แล้วน่ะเขาก็ให้ต้มอะไรเราก็ได้ทั้งหมดนะ่ะพอเราอยากพอเราโลภพอเราโลภท่านน่ะเขาก็ต้มหลอกลวงเราได้เพราะฉนั้นเราต้องดูเราเนี่ยพระสงฆ์ท่านจะสอนอย่างนั้นนะฮให้รู้จกักศีลให้รู้จักธรรมให้รู้จักสิ่งควรไม่ควร ให้รู้จักกาลเทสะการสถานที่บุคคล ถ, ถ้าทําได้อย่างนั้นแล้วนะอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขทั้งหมดนะอยู่ที่ไหนเป็นสุขสุขกายสุขใจพอรู้จักการวางตัวถ้าเราไม่รู้จักการวางตัวแล้วลําบากทําอะไรไมีแต่อยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะเหยียบเขาข่มคูเขาโดนมากกันนะพอไปข่มเขาน เขาก็คิดข่มขูเราเหมือนกันอถ้าเราอ่อนน้อมกับเขาเขาก็อ่อนน้อมกับเราเรายิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเราเราสงเคราะห์เขาเขาก็สงเคราะห์เราเรามีเมตตากับเขาเขาก็มีเมตตากับเราอถ้าเราไปด่าเขาก็ด่าเราถ้าไปกำมัดกำวยเขาก็กำมัดกำวยสู้กับเราถ้าเขาสู้ไม่ได้ทางหนึ่งเขาเอาทางหนึ่งไงนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติ ของมนุษย์ชาติที่เกิดมาไม่ต้องเป็นอย่างนี้พอเหตุนั้นเมื่อเรารู้เราเป็นธรรมชาติอย่างนี้เรารู้จักหลบจากหลีกยังไงรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนกกาอาศัยซึ่งปีกหางไปสู่ทางที่ประสงค์จงจงดังหมายใครว่าพวกเรารู้จักการหลบหลีกแล้วก็ไปสู่จุดหมายปลายทางได้เรับธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านแนะนำสั่งอย่างนี้นะลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วก็ให้รู้จักตนให้รู้จักประมาณตนให้รู้จักวางตัวให้รู้จักการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมอย่าไปยกตนเสียดสีเหยียบย่ำคนอื่นเขาถ้าเขามากับทมกับเราเราก็ไม่ชอบ ถ้าเราไปทำกับคนอื่นเขาแล้วเขาจะชอบไหมเขาก็ไม่ชอบเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่แหละคือศริยธรรมใจเขาใจเราใจเราใจเขาใจเขาใจเราถ้าเรานึกดูใจเขามันใส่ใจเรานึกดูใจเราไปใส่ใจเขามันเหมือนกันนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันมีแต่ความโง่ความฉลาดอันนักสุดแท้แต่มีสติปัญญาถ้าเสมอกันทั้งหมดก็คงจะไม่มีพระหัน พระหันต้องเนื้อกว่าเนื้อกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีเนื้อกว่าพระสกทาคามีพระสกทาคามีเนื้อกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันเนื้อกว่าปุตุชนฮะปุตุชนนี่ก็มีหลายชั้นอีกไม่รู้ว่าชั้นไหนตัวชั้นนั้น <S <S <S ถ้าจะว่าชั้นด็อกเตอร์เลิอดก่าหมูเออใช่มันก็เก่งกวัวหมูอยู่บางเรื่องแต่บางเรื่องเอาตัวไม่รอดมีเยอะๆด็อกเตอร์เนะี่ย อเอเอรเอาตัวไม่รอดก็มีอยู่เพราะนั้นเราจะไปพยองพองตัวว่าถ้าเรียนรู้รู้แต่สิ่งที่รู้น่ะสิ่งที่มันไม่รู้มีตั้งเยอะแยะในโลกมีมากมายเพราะนั้นรู้ในแต่สิ่งที่รู้ถอมตนเอาไว้ให้มองตัวเอาไว้ให้ศึกษาให้มากเรียนรู้ให้มากหลายๆแข น, น, แนงวิชาในโลกนี้นมีมากมายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยหลวงพ่อเอาความจริงมาพูดนะจริงมาพูดจริงไหมถามเลยจริงไหมหลวงพ่อแต่หลวงพ่อว่าถ่อมถามหลวงพ่อเองหลวงพ่อกว่าจริงนะหลวงพ่อจึงพูดใช่ไหมแต่ถามพวกเราท่านทั้งหลายเลยสอจริงนู้นแลไม่จริงเหอนสุดแท้แต่พวกเราจะยอมรับกันมากน้อยแค่ไหนอตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พ่อนะทีนี้นะ